จนหมดปัญญาได้เวลาก็ไม่รับกันเยือเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้นลำบากใจได้วลตาที่เธอมองกันบอกกะไรกับฉันมากมายความอึดอัดมันฟ้องใจไม่มีทาง เชื่อมีสิ่งผูกเราไว้เนี่ยวรังให้ตายคงได้แค่ตัวยิงห้ามเท่าไรยิ ง, งนนยอะแค่ไหนยิงเห็นแก่ตัวเมื่อรักมันทำให้เธอนักใจฝืนไปมันก็เท่านั้นเมื่อฉันมันทำให้เธอ ทางฝันเธอยังนั่นก็คอยเธอเจ้าดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้เธอรำคาญขอบใจเธอ ที่ทนกันมาอุตรำแรงกับฉันตั้งไกลฉันมันมีแค่หัวใจทำให้เธอได้เท่าดีอย่า ก, กังวลอย่าห่วงอะไรไม่มีใครมองเธอไม่ดีฉันผิดเองขอโทษที่ที่วันนี้ดีไม่พอต่อให้เชื่อวิเศษพูกเรา แค่ตัวยิงห้าบเท่าไรยิงยื้แค่ไหนยิงเห็นแก่ตัวว้าวเมรักมันทำให้เธอนักใจฝื้นไปมันก็เท่านั้นเมื่อฉันมันทำให้เธอกดดันก็พอกันทีวันนี้เราเดินมาสุดทาง โไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทอรมาน yeah! แม้ว่ารักนี้ต้องรำลาแม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตาที่แล้วมากก็จะไม่เสียดาเพราะชีวิตที่เคยมีเธอเพราะชีวิตครั้งนั้นที่ ฉันมันทำให้เธอกดดันก็เพราะกันทีวันนี้เราเดินมาสู่ทางฝันถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรง ไม่เคยมีเธอเพราะชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้รักเธอก็คุ้มเกินพอ เปิดเรียกอไรอ่สาระอยู่เย็นนิงลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นอลรได้โอ้สาระอยู่เย็น